ความจริงก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ทุกวันในเรื่องสติสมถทิปัญญาแต่ว่าภาษาหลงพ่อเทียนภาษาที่ท่านตรงไปตรงมาแต่ว่านึกไงก็ว่าไปอย่างนั้นอย่างเขาว่าไตรักเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอันนี้จังทุกขังนัตตาท่านจกว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตาราคะโทสะโมหะท่านก็ไม่ว่าราคะท่านว่าโทสะโมหะราคะที่จะสลับไป ฉะนั้นบางทีเป็นภาษาที่ท่านยืมมาใช้เฉยๆบางทีท่านก็พูดไม่ตรงความหมายที่นั่นเรอกอาจารย์ก็วินิเวียนหัวด้วยนะอาจารย์เป็นนักวิชาการโอ้ผมวินิเวียนหัวเขาภาษาหลวงพ่อเทียนว่าสมัยที่ยังไม่เข้าใจท่านนะต่างจะเข้าใจท่านนะอ๋อเพราะว่าที่จิตสื่อออกมาตรงๆเนี่ยไม่ได้เลี้ยงว่าถูกว่าผิดว่าหน้าว่าหลังที่มันอะไรที่มันชัดในขณะนาดนั้นก็นนใช้อนั้นออกมาเพราะงั้น อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราตามฟังพูดเหียนแต่บางครั้งบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้อย่างในวิดีโอขนาดออกในระดับสากลท่านก็ยังพูดผิดตรงที่ว่าอาการลิโกเปว่าผู้รู้แจ้งโลกแต่ท่านซ้ําอีกคำอากาลิโกเปว่าผู้ไม่ไมีไม่ขึ้นกับการเวลาแต่คําแรกว่าอาการลิโกเป็นผู้รู้แจ้งโลกของคนละเรื่องนั่นเอง ไม่ใช่โลกาวิทูอากาลิกโกนั้นั้นท่านก็ออกตัวว่าท่านไม่ใช่นักปริยัติแต่ต้องเป็นทั้งอ้างปริยัตมาพูดนี่ไหมเพราะว่าตามเขาไปแต่ความหมายก็บางทีตามที่ท่านเอ า, เอาส่วนใหญ่จะเป็นปรมัดนะที่นี้คําว่าสติสมถิปัญญาก็เช่นเดียวกันที่ไปที่มาที่ท่านใช้คํานี้ก็เพราะว่าเพราะท่านตัว ชูโรงที่ท่านเน้นคือต้องการเน้นก็คือว่าสตินี่นแหละทีนี้ท่านก็คงจะเรียงตา ม, มักแปดมากกว่านะเพราะในมักแ8ดนี่ขึ้นโดยสมาสติแล้วก็สมาสมาธิก็เลยพอมาเรียงทางด้านไตรสิขาแทนที่จะเป็นศีลสมผัสปัญญานะทีนี้ไอ้คำว่าศีลกับสติเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่าง เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันสติเป็นเหตุศีลเป็นผลอย่างเงี้นะเพราะว่าดนอ้างในคำว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นวินัยท่านมาดูกามีศีลเป็นวินัยแต่มีสติเป็นวินัยนั้นในที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคือว่าที่ได้กล่าวมาวันก่อนว่าในศีลเนี่ยที่จะสมบูรณ์ได้ต้องมีสติเป็นหัวใจ ถ้าไม่มีสติเป็นหัวใจเนี่ยศีลจะสมบูรณ์ไม่ได้ศีลก็เป็นเพียงโครงอ่าเหมือนกับเป็นโครงสร้างโครงล่างอันหนึ่งยังไม่ได้ใส่หัวใจเข้าไปเนี่ยเหมือนเครื่องรถเนี่ยเครื่องรถเขาซื้อเป็นโครงมาจะไม่ได้ใส่เครื่องเข้าไปถ้ามีเป็นโครงเครื่องอยู่นั้นก็ใช้ในแง่ของสากลนั่นไม่ได้หรือบางทีให้รถมาแต่ว่าคุณแยป็นไหนไม่รู้เนี่ยนีย รถคุณจะดีไงรถคุณก็ไปไม่ได้เพราะต้องมีกุญแจตัวศีลที่จะขับเคลื่อนไปอย่างถูกที่ถูกทางและถูกต้องก็คือมันจะต้องมีตัวสติเนี่ยเป็นตัวเป็นเหตุเท่านั้นเถิดดังนั้นเวลาคำสองคาเนี่ยถ้าจะเอาตัวเหตุขึ้นมาพูดก่อนหรือเอาตผลขึ้นมาพูดก่อนถ้าผลขึ้นมาพูดก่อนก็ศีลสมาธิปัญญา แต่เหตุมาพูดก่อนก็สติสมาธิปัญญาทีนี้คนทั่วไปเขาเขว่าตามหลักของไตรสิกขานะครับไม่ได้ว่าตามหลักของตัวของอริยมรรคไตรสิกขาก็คือตัวศีล ส, สมาธิปัญญาแต่พอมาในว่าไตรสิกขาในองค์อริยมรรคก็ ถ, ถือว่าสมาทิฐิ สมาสังกปะเนี่เป็นองค์ของปัญญาที่นี้ตดวงปัญญาเนี่ยมันมีตัวสติสัมปชัญญะเป็นเหตุของมันนะเพราะฉะนั้นในช่วงเอามาขึ้นว่าปัญญาศีลสมาธิอย่างนี้มันก็ยิ่งคนก็จะยิ่งจะงงเพราะคนที่ไม่รู้จักปริยัติคุณ ห, หูว่าศีลสมาธปัญญาแต่พอมาคําว่าสติสมาธิปัญญาเอามันค่องใกล้เคียงในความหมายในแง่าทางปริยัติปฏิบัติมันก็สอดคล้องกัน นี่ตามที่ผมน่าจะวิเคราะห์ให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉนั้นศีลหรือไตรสิกขาตามหลักของไตรสิกขาว่าศีลชนิดปัญญาเราก็ว่าตามที่ว่าเมื่อพูดถึงศีลแล้วก็เหมือนกับพูดถึงสติเพราะว่ามันเป็นไตรสิกขาที่เราในภาคปฏิบัติพูดถึงสติเมื่อเจริญสติแล้วก็คือเจริญศีล น, นั่นแหละนะเมื่อเจริญศีลก็คือเรื่องมีสติ อันนี้ที่ความสัมพันธ์คนทั่วไปเขาจะนักกรรมฐานทั่วไปจะพูดถึงเรื่องของศีลสมถธิปัญญาในฐานะเป็นไตรสิขาแต่ที่หลวพงพ่อนยกวันนั้นผมเข้าใจว่าท่านจะเอาตามในองค์ของมรรคคือสติหมายถึงตัวปัญญาเบื้องต้นสติสมถธิปัญญา แต่ว่าก็เป็นย้ำตอนหลังอีกทีหนึ่งสัมมาสติสมาสมาธิเป็นสติจึงเป็นเหตุได้ทั้งสมาธิและปัญญาถ้ามาไว้ต้นสติเป็นเหตุของปัญญาถ้ามาไว้ท้ายสติเป็นเหตุของสมาธินั้นก็เลยว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสภาวะที่เป็นประมาติได้มากกว่ า, าเป็นเหตุตงกันละรกันแต่ทีนี้ว่าในตัว ศีลเนี่ยถ้าหากว่านักปริยัติเขาว่าต้องมีศีลก่อนถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันไปทําสมาธิไม่ได้ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ไปทําสมาธิมันก็ไม่ขึ้นตรงนี้นะที่เขาพูดกันเพราะอะไรเพราะศีลตัวนั้นจะต้องมาทําความเรียบร้อยทางกายทางวาจามาฝึกฝนกายวายจาให้เรียบร้อยให้มีศีล แม้ว่าถ้าไม่ฝึกฝนกายวาจาให้เรียบร้อยเวลาไปทําสมาธิมันก็ทําไม่มทำมาทํำยากเพราะจิตมันไม่สงบเพราะกายวาิชาจะเพราะกายวาจาเองยังสงบไม่ได้ไปทําเรื่องสมาธิก็ยิ่งยิ่งยากอันนี้ตามที่เขานิยามกันนะที่อธิบายกันเพราะฉะนั้นทางสํานักอย่างาโศกเนี่ยเขาก็มต้องเจริญศีลให้ได้ก่อนต้องรักษาศีล เรามาเน้นศีล5ศีลแปดสี่2องรี่สิบเจ็ 200, 27, 300, ทั้งสมมตินในแง่ของสมตงมติคือเอาศีลขึ้นก่อนไตรสิกขาในแง่สมมติเอาศีนขึ้นก่อนไตรสิขกสขาในแง่ปรัปรมัตถ์ก็เอาสติขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าผู้พูดนั้นจะมุง่งแต่ผู้พูดจะรู้ตัวแล้วไปว่าตัวเองกําลังมุ่งในความหมายของที่เป็นสมมติหรือในความหมายเป็นปรมัตถ์อันนี้ไม่ในแย้งนะฮะ แต่เพียงแต่ว่าเราสันนิษฐานว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นเองทีนี้ว่าทั้งสติสมาธิปัญญาทั้งสติก็ดีทั้งศีนก็ดีเนี่ยรักเง่ามันมาจากไหนถ้าในแง่ของต้นกำเนือที่เป็นประมัดนะเพราะว่าในกฎของตรจรักเนี่ยตามที่ผมได้วิเคราะห์ว่าอนิจจ์ทุกขงังอนัตตาเนี่ย เป็นกฎสากลที่เป็นทางสมมุติที่สากลนะทีนี้ถ้าหากว่าตัวอนิจจังกับตัวศีลเนี่ยอนิจจังเนี่ยเป็นเป็นต้นตอของเรื่องนะเป็นต้นตอของเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าทุกอย่างมันอยู่ในลักษณะเคลื่อนไหวนะเป็นเครื่องไหวการเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นอนะ ถ้าในแง่ของอในแง่ของสมมติมันนะหมายความว่าทั้งนำรูปกทำนามธรรมเนี่ยมันมีปกติที่เป็นอย่างนั้นเป็นในจังทุกขั้งนัตตาโดยปกติโดยลักษณะสามัญยลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นปกติเมื่ตรงกับควาว่าศีลที่เป็นปกติเป็นปกติที่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุอย่างมีปกติที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเออมันก็ต้อง ออกมาเป็นศีลละเพราะฉะ น, นั้นแล้วตัวปกติคือตัวอนิจจังเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเน่ยผลออกมาผลต้อง ก, การเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรในแง่ของวัตถุมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นความแปรปรวนหรือว่าทุกขังมันมีการเปลี่ยนแปลงและต้องแปรปรวนมาอยู่กับคงที่ไม่ได้เพื่อแปรปรวนไปแล้วมันก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วมันจะต้องเสื่อมสลายหรือแตกดับเรียกว่าอนัตตา มันสัมพันธ์กับลักษณะนี้แต่พอมาใช้กับรูปนะออกมาเป็นรูปของคนที น, นี้รูปของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่หมายของรูปทั่วไปทั้งที่มีวิญญาณครองทั้งที่ไม่มีวิญญาณครองเนะี่ยอยู่ในลักษณะเป็นอนิจจนะ์ทุกขังหน้าตาไม่ใช่ว่าวัตถุมันเป็นทุกนะแต่วัตถุมันแปรปลวนเท่านั้นเองอย่างแก้วเนี่ยอ แต่ว่ามันแตกมันเป็น mm ทุก hmm. ข์ก็ไม่ใช่แต่มัน well. แปรปรวนไม่อยู่ไม่สามารถจะคงอยู่ในสภาพเดิมใบไม้เมื่อก่อนมันเขียวเนี่ยพอมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงก็แปรปรวนเปลี่ยนมาเป็นเหลืองพอใบไม้มันเหลืองก็หมายความว่าใบไม้เป็นทุกข์แต่อาการของมันก็เป็นทุกข์แหละแต่เราไม่บัญญัติว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์มาบัญญัติเป็นคนได้เอาบัญญัติในแง่ของรูปธรรมว่าเป็นแปรปรวนไม่สามารถจะอยู่คงที่ได้ไม่อยู่ในที่รูปเดิมได้ ในที่สุดมันก็หล่นก็ล่วงเป็นอนัตตาไม่สามารถควบคุมให้อยู่กับที่ได้ก็หลุดกับที่อย่างงี้ลักษณะของความต่อเนื่องของมันนะครับทำวัดเช้าจะไม่มีรูปังทุกครั้งหนึ่รูปังทุกครั้งเนยรูปังอนัตตาใช่ไหมครับรูปตรงนั้นไม่ได้จงใจหายนะมันเป็นสภาพนั้นรูปที่มันเป็นรูปใดทีนั้นทั้งเป็นรูปธรรม นะที่เป็นรูปธรรมทั้งที่มีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคลองอย่างคนตายแล้วเนี่ยนกะ็เป็นรูปคนนะแต่ไม่มีวิญญาณคลองถามว่าคนตายแล้วมันทุกข์ไหมเอาไปเผาก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถามว่าเสาตัวนี้มันทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์แต่มันแปลปรนเท่านั้นเองพอคนตายแล้วมันจะแปลปรนเป็นอะไรใช่ไหมมันคือสลายเป็นอืดขึ้นอืดขึ้นพองเป็นน้ำเน่าน้ำหนองน้ำเลือดแตกสลายเป็ น, นเขาเรียกว่าแปลปรนลักษณะนั้นไม่เรียกว่ามันมันเป็นทุกขังแต่มันแปลปรน พราะมันไม่มีวิญญาณคลองพ่ะฉะนั้นจึงไม่มีรูปังทุกขงังรูปังอ น, นิจจังมันคงไม่อยู่กัที่แต่รูปังอนัตตามันถึงการสลายไม่มีไปส่วนอาการ12ไปส่วนใครส่วนมันละทีเนี้ยมันยังไม่มีรูปังทุขังนะเนี่ยทีนี้ลองมาดูว่าในตรลักที่เป็นรูปประธรรมเนี่ย ถ้าหากว่ามันเข้าไปสู่ตัวนามธรรมใต้รักมันมันออกมาแปลเป็นอย่างไรนะครับนี่ถ้าหากว่าอ น, นิจจ์ถ้ามันแปลปวนมาอยู่ในกายของเรามันเปลี่ยนแปลงในกายของเรามันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนเดีย๋ยวเรานั่งปั๊บเนี่ยความแปลปวนก็เกิดขึ้นล่ความเปลี่ยนแปลง ก, ก็เกิดขึ้นล้วคือหนักใช่ไหมคลับ หรือเรไปข้างนอกเมื่อกี้เราอยู่ที่นี่อุ่นออกไปข้างนอกปั๊บก็เปลี่ยนแปลงเป็นเย็นแล้วพอเย็นปั๊บก็แปรปรวนเราทนอยู่ไม่ได้แล้วทีเนี้ยนั่งหนักนี่ก็ทนอยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็ทนอยู่ไม่ได้รีบไปหาแอร์รีบไปหาผ้าม้วห่มใช่หมท้าะหนาวจะจัดอนะเราเดินอยู่ข้างนอกก็ต้องรีบเข้าห้องนี่เขาเรียกว่ามันแปรป่วนมันทนอยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นตัวนั้นกลายเป็นตัวทุกขขังนะเพราะมันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชาให้มันอยู่ตามที่เราต้องการก็ไม่ได้ ทีนี้ไอตัวอันนี้จังตอนนั้นน่ะถ้ามันมาตกกับรูปธรรมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นทุกขังกับรูปของเราเนี่ยก็เปลี่ยนผู้ทุกขังคือแปรปวนเราก็รู้สึกหนักแปรปวน่ะในที่สุดมันทนอยู่มันได้เราก็ต้อเปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บไอตัวหนักเมื่อกี้มันก็สลายทันทีเพราะมันไม่มีตัวตนมันเป็นนัตตาถ้ามันเป็นอัตตาถ้าเมื่อไหร่มันเป็นอัตตาขึ้นมายุ่งนะ ยุ่งไงพอเปลี่ยนแล้วมันยังปวดเหมือนเดิมเลยนะเหมือนคนป่วยแล้วไม่ยอมหายเนี่ยต้องได้กินยาตอนนั้นก็เริ่มเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วแต่ที่มันเป็นอนัตตามันถูกต้องตามหน้าที่ของมันแล้วข้าวกินเข้าไปมันเกิดเป็นอัตตามันเดิมเป็นก้อนมันไม่ยอมย่อยอ่ะนะเรียกว่าข้าวนั้นเป็นอัตตาทุกขอแต่พอเป็นอนัตตาแล้วโอเคแล้วมันย่อยไปตามเรื่องของมันละนี่มันกระบวนการของมันถ้ากินเข้าไปแล้วยังเหมือนเดิมไม่เป็นทุกขังไม่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้น ในแง่ของรูปธรรมมันอยู่ได้เรื่องกฎของไตรลักษณ์หมุนไปตามนั้นทนั้งในส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแต่อันนี้ก็เป็นรูปอยู่นะสมมติข้ามาอยู่ในท้องของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นรูปอยู่แต่ในแง่ของนามธรรมบางทีนี้ว่าตัวอ น, นิจจังถ้าเราเอาตัวมันจะมาจับ แสดงอนิจจังทุกขังหน้าตาในแง่ของรูปธรรมมันแสดงอยู่ที่ไหนแสดงในงของเวทนาถ้าคนตายเนี่ยมันไม่มีเวทนาเพราะงั้นคนตายก็ไม่ไม่ได้รับรู้ถึงอนิจจังทุกขังหน้าตาฝ่ายนามธรรมาได้ละเพราะนามธรรมามันไม่มีอยู่แล้วแต่รูปธรรมเนี่ยทำงานอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของเป็นแต่พอมาเรามาเป็นมีนามธรรมาคือมีใจปั๊บเนี่ยตัวที่จะไปรับรู้ถึงความเป็นอนจิจจรงทุกขังหน้าตาของมันก็คือตัวรู้สึกที่เป็นเวทนา ครับเนื้อดูรู้สึกที่เป็นเวทนานี้เมื่อความเป็นนิจจังของมันก็คือเวลาเราเปลี่ยนรู้สึกสบายเปลี่ยนเป็นสบายเวลาเรานั่งทับประทีมันก็เปลี่ยนเป็ น, ป น, ป น, ปนไม่สบายมันแสดงว่าความสบายไม่สบายทางกายก็สัมผัสได้แล้วทีนี้ตัวอนิจจ คือความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วคนไหน่ะคนไหนลรารู้สึกถึงความใครเป็นผู้รับรู้ว่าถึงความสบายไม่สบายกายหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะจิตเป็นผู้รับรู้ด้วยผ่านเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นตัวที่สองในขันห้ารูปเวทนาโดยมีเวทนาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกายในตัวสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามแต่เวทนาเนี่ยเป็นเป็นสะพานเชื่อมเป็นได้ทั้งรูปทั้งนาม แต่สัญญาสังขารวิญญาณเนีเป็นนามโดยประการเดียวนี่นะแต่รูปมีลักษณะเนี่ยพอมีสะพานเป็นเชื่อมเราก็จับตัวเวทนานี่ยเลยเอาเวทนาขึ้นมาเป็นตัวรู้เบื้องต้นเวทนาละวิทะนแปบลบว่ารู้นะ <c oughs> <c oughs> เมื่อมันตัวรู้ที่นี่มันรู้โดยธรรมชาติโดยสัญชตาตญาณโดยจิตที่ทําหน้าที่ของมันเรียกว่านามนามธรรม เป็นหน้าที่ของนามธรรมหน้าที่ของมันคือสะท้อน <c oughs> ถึงความรู้สื่อามาเพื่อปกป้องรูปตัวนี้ใจมันจะอยู่ได้นะเมื่อมันจะต้องมีตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวสื่อว่ากายเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรเวทนาเป็นตัวตัวบอกให้จิตเพราะนั้นก็เวทนาก็จับเอาตัวเวทนาขึ้นมาเป็นตัวรู้ในแง่ของของรูปด้วยกึง่งรูปกึ่งนาม ทีนี้มันก็ยังเป็นนามารูปอยู่เวีนเวทนาพอใจไม่พอใจแต่เวทนาเป็นนามารูปนะรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นนามารูปทีนี้ในแง่ของการที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบก็คือถ้าหากว่าตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนมาเป็นนามารูปถ้ามันอยู่ในรูปนามโอเคก็เป็นขบวนการของวัตถุโดยตรงแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นนามแล้วมันจะเป็นนามารูป ก็คือภาพเห็นความพอใจไม่พอใจก็ปรากฏในจิตแล้ทีน่นี่ก็เรียกว่าเวทนาทางจิตเป็นจากเปลี่ยนเป็นนิจําเปลี่ยนเป็นสุขสุขเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่า <c oughs> ในส่วนของรูปพอรู้สึกรู้สึกและรู้สึกสบายไม่สบายในส่วนของกายนี่เขาเรียกว่าในส่วนเป็นรูปนามละ แต่เมื่อมีตัวรู้ที่เป็นเวทนาอยู่ตรงนี้มันเป็นสติในระดับหนึ่งที่จะคอยเป็นหน้าที่ของจิตที่จะคอยเฝ้าระวังเนี่ยไม่ให้รูปแตกสลายด้วยการเปลี่ยนไปในสภาพที่ทนได้แต่ถ้าหากว่าตัวนามคือจิตเนี่ยไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้รูปก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีตัวรักษาเพราะนั้นจิตกิรักษารูปโดยผ่านเวทนาเวลาเอามือไปจับอะไรมันอันตรายปั๊บ มันก็จะหดมือโดยธรรมชาติเวลาไปเหยียบอะไรที่มันไม่ต้องการปั๊บเราก็จะฉากเราจะถอยไปเจออสรพิษปั๊บเนี่ยสัญชาติสัญชาตญาณเขาจะบอกให้เรานำมัดระวังไปเจองูพิษอย่างเงี้ยมันบางทีมันเกิดถอยโดยไม่รู้ตัวเลยนี่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นคู่กับเวทนาเพื่อรักษาลูกสติระดับนี้ระดับสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นมาทําหน้าที่ปกป้องลูกเป็นระดับแรก แต่ว่าในระดับที่ที่จะปลอดภัยจากความกลัวเนี่ยให้กายปลอดภัยสติที่เป็นสัตยันทําให้กายเนี่ยถอยออกมาจากสิ่งที่เป็นอันตรายทําให้กายปลอดภัยไดแต่ใจไม่ปลอดภัยใจความรู้สึกตนกตกตื่นหรือใจกลัวเนี่ยตรงเนี้ยสติในระดับนี้ไม่สามารถที่เข้าไปป้องกันได้เลยความตกใจเพรา ะ, ะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดงูอะไรต่างเข้ามาไปเห็น ตรงนี้เองพระริชากรเองภหยที่เกิดจากรูปเนี่ยสัญชาติสติโดยสัญชาตานไม่ว่าคนหรือสัตว์มันป้องกันตัวมันเองได้อย่างยุงมาตอมเราเนี่ยบางทีไม่ใช่ตบมันได้ง่ายนะมันมันวิ่นหลบไว้เออหลบไว้ตบไม่ทันแม้แต่ยุงมันก็จะมีสัญชาติญานในการป้องกันเพราะฉะนั้นบอกคนและสัตว์กันเลยเสมอก็ได้สอย่างเสมอได้สเหมือนกันเลยหนึ่งสัญชาติญาณในการที่จะต้องอ อยู่รอดด้วยการต้องการอาหารสองสัญชาตญาในการที่จะหาที่หลับที่นอนคือหาที่อยู่อาศัยสัญชาตญาณประการที่3ามคือเมื่อมีภัยเกิดขึ้นต้องหลบต้องหลีกต้องเลี่ยงสัญชาตญาณที่สี่ก็คือต้องการสืบเผ่าพันธุ์เอาไว้นะโดยสัญชาตญาณของมันนั้นในระสติระดับนี้ก็จึงไม่สามารถที่จะไปเอาจัดการความหุกความกลัวความต้องการอาหารการหลับนอนการสืบพันธุ์ทางจิตใจเนี่ยไม่ได้ องค์ก็บอกค้นพบตรงนี้ปั๊บอ๋อดังนั้นเราจะต้องมีเอาตัวนามรูปเนี่ยให้มันเหลือนามล้วนๆแยกรูปออกจากนามให้ได้ตรงนี้เองตรงเนี้ยเป็นวิธีการแตะสิรูของพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องมาแยกตรงเนี้ยแยกแต่ ว, ว่ารูปออกจากนามถ้าตราบใดที่นามกับรูปมันติดกันอยู่เนี่ยนะมันก็จะจิตเนี่ยจะไม่ปลอดภัยจากความสันสัญญาณจากกาย พอมารู้ตรงนี้ปับ๊บก็ใช้เวลาความหนักหน่วงเกิดขึ้นโดยสัญชตาตญาณทั่วไปก็ต้องหนีต้องพลิกต้องเปลี่ยนต้องดิ้นต้องลนแต่พอมารู้ตรงนี้ปับ๊บเราสามารถทนได้ลักษณะทนต่อ ต, ต, ต, ตรงนี้ได้จิตตรงนั้นเรียกว่าเป็นสมาธินีมันตัวโทสะก็เปลี่ยนเป็นสมาธิตัวอา น, นิจจังน่ยตัวทุกข์ขังงนั้นไปเปลี่ยนเป็นมาสมาธิโดยผ่านขันติ ส, ส, าสามารถทนต่อเวทนาได้โดยใจไม่เปลี่ยนแปลงสามารถเข้าไปหางูได้โดยที่ไม่กลัวงูได้เี่แต่ว่าโดยสัญชาตญาณมันต้องกลัวแต่พอมันรู้ความจริงปั๊บอ๋องูนี่มีพิษงูนี้ไม่มีพิษงูนี้จะได้ให้หมดพิษเดีมันไม่กลัวแล้วทีเนี้ทึ่งต่างเดิมลักษณะนี้ตัวรู้ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดจากการฝึกฝนว่าตัวอนิจจังพอเข้ามาสู่ตัวอ นำมารูปที่เป็นพอใจหรือไม่พอใจหรือตัวโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นตัวพอใจเนี่ยก็เข้าไปรู้ว่าอ๋อตัวพอใจมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวไม่พอใจได้เพราะนั้นก็ป้องกันไม่ให้ตัวพอใจเกิดให้รู้สึกเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทุกข์เป็นสุขสุขเป็นทุกข์โดยไม่ให้ใจเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับรูปก็ได้ โดยการมีตัวรู้ตัวนี้รู้เท่าทันอยู่มันนัเลยรู้รู้เท่าทันนันนี้เรว่าสติคือรู้เท่าทันว่าเออมันเปลี่ยนแปลงเราจะทนอยู่ก็ได้เราจะเปลี่ยนก็ได้เราจะไม่เปลี่ยนก็ ไ, ได้ดูสติตามรู้แค่ไหนถึงจะเปลี่ยนแค่ไหนทิงจะไม่เปลี่ยนแค่ไหนทนได้แค่ไหนทนไม่ได้ตัวรู้ตัวนี้เริ่มพัฒนาจากตัวสัญชาตญาณมาเป็นปัญญาญาณตรงนี้เองเนี่ยสามารถแยกรูปออกจากนามนามผิคือรูปที่เป็นนามารูปไปแสดงใน นึ้นขึ้นที่นในใจเนี่ยผ่านรูปของอาการไม่ใช่รูปของอาการว่าหนักอาการว่ากลัวแยกความกลัวออกจากจิตแยกคาว่ารู้สึกหนักออกจากจิตแยกคาว่ารู้สึกชอบออกจากได้ให้รู้เฉยๆได้ชอบก็รู้ว่าชอบเฉยๆเออลักษณะอาการนี้เป็นชอบนะไม่ใช่เราชอบ ลักษณะนี้ไม่ชอบก็แยกเอออันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าไม่ชอบนะเช่นว่าเราออกไปตากแดดคนทั่วไปโดยสัญชตาตญาณมันจะไม่ชอบมันต้องหลบเข้าไปแดดเงี้ยแต่พอมาเกิดสัญชตาตญาณมาเปลี่ยนเป็ น, ป, น, ป, นปัญญายาณปับ๊บอ๋อเราร้อนอาการมันร้อนเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องว่าไม่พอใจไปอาการร้อนนี้ด้วยเราหนาวก็ไม่จําเป็นจะต้องแสดงอาการว่า ไม่ชอบหนาวไปด้วยแล้วก็หนาวเฉยๆได้เ้าแต่กายแต่ใจไม่หนาวลักษณะนี้เรียกว่าแยกนามมารูปออกจากนามออกจากจากนามได้แยกรูปออกจากนามได้คือทนต่อสิ่งนั้นได้โดยที่ใจแต่ถ้าทนด้วยการเก็บกดด้วยกันด้วยมีความมีมานะาว่าฉันจะทนได้หนักเท่าไหร่ก็ทนได้อ น, นี้เป็นด้วยมานะไม่ชื่อว่าเป็นการแยกรูปออกจากนามแต่เป็นกิเลสขั้นละเอียดเข้าไปปฏิบัติการ